ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระตถาคตเพราะตรัสรู้ธรรมะอันแท้ Donc, จริงเนี่ยนะอันแท้ตามความเป็นจริงตรัสรู้ธรรมะที่แท้ตรัสรู้ธรรมะของแท้เลยอ่ะแล้วของแท้ด้วยและตรัสรู้ตามเป็นจริงด้วยอ่ะคืออะไรเป็นอย่างไรก็บอกว่าอริยสัจแหละชื่อว่าเป็นธรรมะที่แท้อริยสัจเนี่ยเป็นธรรมะที่แท้แล้วก็ตรัสรู้ตามความเป็นจริงด้วยนะ เอ้ความจริงแท้คืออริยสัจเนี่ยรู้แล้วมรู้ได้ประโยชน์อะไรถ้ามีผู้ตั้งคําถามเนี่ยนะอย่างเขาบอกว่าไอการรู้สกะลักษณะสามัญลักษณะลักษณะเฉพาะตัวของขันธาตุอายตนะลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นของขันธ์อายตนะธาตุเนี่ยการรู้ลักษณะเหล่านั้นเพื่อแทงตลอดอริยสัจอริยสัจเนี่ยแหละชื่อว่าเป็นความจริงแท้ถามว่าเมื่อรู้อริยสัจที่จริงแท้รู้เพื่อประโยชน์อะไรจะได้กล่าวต่อไปแต่สรุปว่าพระองค์เนี่ยแต่สรู้ธรรมะ อันจริงแท้ธรรมะที่เป็นธรรมะแท้คืออริยสัจอย่างที่พระองค์ตรัสในสัจจะสังยุตว่าดูก่อนพิสูุนทั้งหลายอริยสัจสี่เหล่านี้เป็นของแท้เป็นของจริงเป็นของไม่เป็นอย่างอื่นอริยสัจสี่มีอะไรบ้างอริยสัจที่ว่านี้ทุก นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจสี่เนี่ยเป็นของแท้เป็นของจริงเป็นของที่ไม่แปลไปเป็นอย่างอื่นเพราะพระองค์ตรัสรู้ธรรมะที่แท้ที่จริงเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างอื่นไม่กลับกลายไปเป็นอย่างอื่นไม่ใช่จริงวันนี้แล้ววันหลังไม่จริงแล้ดีวันนี้แล้ววันหลังไม่ดีและไม่ใช่ลักษณะนั้นเั้นเป็นจริงแท้แล้วก็ไม่แปรไปเป็นอย่างอื่นนี่แหละเรียกว่า พรตถาคตเพราะตรัสรู้อริยสัจทั้งหลายที่ตั้งคาถามว่าเอ๊ะถ้ารู้อริยสัจเนี่ยดีอย่างไรก็ดีตรงที่ว่าถ้าไม่รู้อริยสัจมีอะไรขึ้นเพราะไม่ตรัสรู้อริยสัจไม่ได้แทงตลอดอริยสัจสี่พระองค์บอกเลยนะว่าเราและเธอทั้งหลายคือทั้งพระองค์ด้วยทั้งพิสุทั้งหลายผู้เป็นอรหันด้วยนี่แหละในอดีตเพราะไม่เห็นอริยสัจท่านเหล่านั้นจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ตลอดกาลนานถือเอากองทุกทุกแล้วพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าลก็เพราะไม่เห็นอริยสัจที่เป็นของจริงที่เป็นของแท้เพราะไม่รู้อริยสัจที่เป็นของจริงของแท้นั่นแหละจึงท่องเที่ยวไปในสังสารวัตตลอดกาลยาวนานเนี่ยนะนานแค่ไหนนานจนเรียกว่าไม่ต้องไปตามระลึกโลกกระวันนาทีหนึ่งระลึกได้เป็นล้านชาติระลึกเป็น ร้อยปีก็ระลึกไม่จบไม่สิ้นระลึกไปเป็นล้านล้านปีก็ระลึกไม่หมดไม่สิ้นไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่บอกไม่ต้องไปตามระลึกหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเบื้องต้นหาที่พบไม่ได้มันนานขนาดนั้นอะไรอย่า ง, งั้นแต่เพราะการแทงตลอดอริยาาสัจสี่นี่แหละตัณหาในพบจึงสิ้นไปตัณหาจึงศูนย์ตัณหาจึงนําไปสู่พบใหม่ไม่ได้จึงไม่มีพบใหม่ก็เพราะแทงตลอดอริยาาสัจสี่เนี่ยนะแทงตลอดทุกข์ด้วยการ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 ปหาณะปฏิเวทะทุกขานิโรธสัจฉิกิริยาปฏิเวทะทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทาก็ภาวนาปฏิเวทะคือว่าแทงตลอดด้วยการกําหนดรู้แทงตลอดด้วยการละแทงตลอดด้วยการทําให้แจ้งแทงตลอดด้วยการเจริญจึงชื่อว่าเป็นการแทงตลอดอริยสัจถ้าไม่ได้ทํำกิจเหล่านั้นก็ไม่เรียกว่าแทางตลอดอริยสัจอะไรพระองค์นั้นตรัสรู้อริยสัจที่เป็นของจริงของแท้ด้วย แทงตลอดทุกด you know. ้วยปริญญาแทงตลอดสมูทายด้วยปหานะแทงตลอดนิโรธด้วยการทําให้แจ้งแทงตลอดอริยมรดุด้วยการเจริญแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะการเจริญมรดินี่แหละจึงเป็นไปกําหนดรู้ทุกการเจริญมรดินี่แหละไปละสมูทายเนี่ยนะเพราะเจริญมรดินี่แหละจึงกําหนดรู้ทุกได้ถ้าไม่เจริญมรด์กาหนดรู้ทุกไม่ได้ถ้าไม่เจริญมรด์ละสมูทายไม่ได้ถ้าไม่เจริญมรด์ทานิโรธให้แจ้งไม่ได้เพราะเจริญมรด์จนสมบูรณ์นี่แหละจึงแทงตลอด อริยสัจเพราะพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่เป็นความจริงความแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นก็คืออริยสัจตรัสรู้แล้วพ้นทุกข์ตถานามานิสัจจานิอภิสัมพุทธินายโกตสมาตฐานนางสัจจานางสัมพุทธทตตาตถาคโตพระผู้นายกตรัสรู้สัจจะทั้งหลายผู้นายกนีก็คื อ, ค อ, คอผู้นําโลกใช่ไหมผู้นําโลกนําออกจากไหนมัง่ง ผู้นำโลกก็คือนำโลกเนี่ยนะนายกก็คือนำออกจากวัตถุกข์นำออกจากสังสารทุกเรียกว่าผู้นาในการเจริญกุศลผู้นาในการแทงตลอดอริยสัจพระผู้เป็นนายกผู้นำเนี่ยตรัสรู้สัจจะทั้งหลายที่เป็นของแท้เนี่ยนะที่เป็นของแท้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตเพราะตรัสรู้สัจจะทั้งหลายที่เป็นของแท้ตถานาตตถามันแท้จริงๆอะ่ะ ไม่มีอะไรจะไปเป็นอื่นอีกแล้วกันเราก็ศึกษาอย่างนี้ก็เพื่อเป็นปัจจัยได้แต่สรุตามก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาแล้วนะนี่ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะเห็นแต่ความจริงนะนะเห็นแต่ความจริงเนี่ยเห็นอย่างไรเห็นแต่ความจริงความจริงในที่นี้หมายถึงว่าเห็นอารมณ์ทั้งหกนะอารมณ์ทั้งหกทั้งสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาสิ่งที่รู้ได้ด้วย ด้วยหูสิ่งที่รู้ได้ด้วยจมูกรู้ด้วยลิ้นด้วยรสหรือด้วยรู้ด้วยกายหรือด้วยโผฏฐะเนี่ยนะบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตถาคตย่อมทรงรู้ทรงเห็นรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสัพพัญญุตยานแต่ตนเห็นด้วยอนาวรณญาณเนี่ยนะรู้รู้เห็นน่ะนะอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมารมณ์เนี่ยนะธรรมารมณ์ที่มาปรากฏในทวารทั้งหก เช่นว่ารูปรู้ได้ด้วยทวารตาเสียงรู้ได้ด้วยทวารหูกลิ่นรู้ได้ด้วยทวารจมูกรสรู้ได้ด้วยทวารลิ้นโพธาภารู้ได้ด้วยทวารกายธรรมรมทั้งหลายรู้ได้ด้วยทวารใจของสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในโลกธาตุที่ไม่มีประมาณโดยอาการทั้งปวงอย่างเดียวเรียนต่อไปข้างหน้าก็บอกว่าสิ่งที่เรียกว่าอนันตมี4ี่อย่างไ ง, งสัตว์2โลกธาตุาอากาศ4ี่พุทธญาณเนี่ยนะ พันนี้ยกตัวอย่างว่าโลกธาตุก็เป็นสิ่งที่หาประมาณไม่ได้สองสัตว์ก็เป็นสิ่งที่หาประมาณไม่ได้ถามว่าสัตว์ที่อยู่ในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้สัตว์เนี่ยหาประมาณไม่ได้แล้วสิ่งที่สรรพสัตว์เหล่านั้นรับรู้เนี่ยนะควรจะมีเท่าไหร่สิ่งที่สัตว์เห็นเนี่ยนะทุกคนเนี่ยตาของสรรพสัตว์ทั้งโลกทั้งหมดเลยมีกี่คู่มีตากี่คู่ทั้งหมดเลยนะมีตาเดียวก็มีเนี พวกมีตาเดียวก็มีมีสามตาพีา่ป้าเขาว่าพวกมีตาเนี่ยนะพวกที่สัตว์มีตาด้วยหรือว่าในโลกธาตุหาประมาณไม่ได้เห็นอารมณ์เท่าใดนะพระองค์ก็เห็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็เห็นเกินนั้นด้วยหรือสัตว์ทั้งหลายฟังเสียงใ น, นหูกี่หูก็ช่างเอะเท่าใดเนี่ยเสียงเหล่านั้นพระองค์ก็ได้ยินหมด กลิ่นที่ที่รับด้วยด้วยจมูกทั้งหมดนะพระองค์รู้หมดเข้าใจหมดว่ากลิ่นเหล่านั้นคืออะไรเนี่ยนะพระองค์เข้าใจดีกว่าคนที่ที่รู้กลิ่นด้วยซ้ําไปพระองค์เข้าใจในรถเครื่องรถดีกว่าคนที่รู้รถด้วยซ้ําไปที่จริงแล้วพระองค์รับรู้อารมณ์ในทวารทั้ง6เนี่ยนะอย่างที่ว่าสัตว์รู้เห็นเท่าใดพระองค์ก็รู้เห็นเท่านั้นส่วนที่สัตว์รู้เห็นเท่าใดพระองค์รู้เห็นเท่านั้นส่วนที่พระองค์รู้เห็นโดยมากสัตว์ไม่รู้เห็น ลองคิดง่ายๆก่าบบไอ้แสงหิ่งห้อยเนี่ยนะแสงหิ่งห้อยเนี่ยมันจะมีเป็นพันๆล้านมันจะบินว่อนทั่วประเทศไทยมันก็ถามว่าสว่างเท่าเศษเสี่ยวของดวงอาทิตย์ไหมยังไงมันก็ห่างชั้นใดการรับรู้ของสัตว์ทั้งหลายในทวารหกก็ไม่ต่างอะไรจากแสงหิ่งห้อยเนี่ยนะซึ่งแสงหิ่งห้อยถ้าเปรียบกับพระพุทธเจ้าและห่างกันนักนะนะเพราะนั้นการรับรู้อารมณ์ในทวาร6กของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีประมาณเท่าใดพระองค์ก็ รับรู้ทั้งหมดเนี่ยนะรับรู้ทั้งหมดแต่พระองค์ก็ไม่ได้ติดในสิ่งเหล่านั้นเลยเนี่ยนะไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นเพราะพระองค์รับรู้ด้วยอะไรรับรู้ด้วยสัมปถญาณิกะและรับรู้ด้วยวิปัสสนาเรียกว่ารับรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะที่ไม่ถูกฉาบทาด้วยตัณหามานะและทิฐิซึ่งต่างจากสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายรับรู้อารมณ์ในทวารทั้ง6เหล่านี้ด้วยรับรู้การเห็นเพื่อจะเสริมตัณหามานะและ ทิฏฐิแต่พระองค์ตรงกันข้ามรับรู้เห็นอารมณ์เหล่านั้นเพื่อกําจัดตัณหามานะและทิฏฐิขณะเดียวกันยังบอกกล่าวแนะนําข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดตัณหามา n น a ะทิฏฐิให้แก่สรรพสัตว์ ด, ด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเห็นแต่ความจริงแท้อย่างนั้นเนี่ยนะอย่าคิดนะว่าเราเห็นนะพระพองค์เอ้ยเราอะไรนะหมกเม็ดพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่รู้หรอกนะเรื่องนี้นะบอกว่าจะปิดอะไรปิดปิ ด, ปดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เขาเมือ่อกล่าวเราหลับตาสักแรงเป็นไม่เห็นดวงอาทิตย์จะได้ไม่สออ่องนี่ว่าไม่รอกเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งทรงแสดงแต่สิ่งที่แท้ในโลกแก่โลกอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งใดที่เป็นของจริงของแท้ที่มีอยูอย่ในโลกนะพระองค์จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพูดแก่สัตว์โลกคําว่าจริงแท้ในโลกก็คือในสังขารโลกเนี่ยมีอะไรเป็นของจริงของแท้ของจริงแท้ในสังขารโลกมีประมาณเท่าใดพระองค์ก็เอามาบอกแก่ สัตว์โลกให้เข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นจนสามารถพระองค์สามารถประชมสรุปได้เลยว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งมวลล้วนแต่ไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งมวลล้วนแต่เป็นทุกสัพเพธรรมานาตาทำทั้งปวงล้วนแต่เป็นอนาตตาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าแตถาโคดเพราะเอาความจริงความแท้มาในโลกมาประกาศแก่ชาวโลกถามว่า ประกาศเพื่อให้โลกติดข้องในโลกใช่ไหมเพระองค์ประกาศเรื่องโลกเพื่อให้สัตว์ติดข้องในโลกใช่ไหมบอกตรงกันข้ามพระองเนี่ยตราธรรมเหล่านี้เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากโลกเพราะผู้ไม่พ้นจากโลกไม่พ้นจากทุกพ้นโลกเรียกอะไรแปลเป็นมาลีว่าโลกุตระเนี่ยนะถ้าถ้าพ้นโลกตรัสรุธรรมที่พ้นโลกตรัสรุโลกุตระนั่นแหละจึงจะพ้นทุกเพราะคําว่าทุกก็คือโลกทั้งหลายนั่นแหละคือตัวทุกเนี่ยนะทุกเพราะอะไรทุกเพราะ ตัวมันเองทุกข์ด้วยเพราะไม่เที่ยงและก็เป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์เนี่ยนะตัวมันเองก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงด้วยแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดหาประมาณไม่ได้ด้วยเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจอันหาประมาณไม่ได้ที่ไหนมั่งไม่ปนด้วยคราบเลือดคราบเหงื่อและคราบน้ำตาหาดูเธอเนี่ยนะ พันความที่พระองค์เห็นแต่ความจริงแท้นี่แหละจึงชื่อว่าพระตถาคตอย่างที่ท่านกล่าวเป็นคาถาว่าตถากาเรเณโยธรรมเมชานาติอนุปัสติตะทัสสีติสัมพุทโทตสมาวุตโตตถาคาโตผู้ใดเนี่ยนะผู้ใดย่อมรู้เห็นทำทั้งหลายโดยอาการที่แท้จริงผู้นั้นชื่อว่าผู้เห็นแต่ความจริงเห็นโดยอาการที่มันแท้ๆว่า อาการเหล่านั้นมันจะศาสตร์ส่องให้มาเป็นยังไงคือในโลกของสังขารธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเอามาแสดงปัจจัยได้เพราะปัจจัยนี้เกี่ยวข้องกับสังขารธรรมแสดงปัจจัยโดยแง่มุมต่างๆเนี่ยนะเพราะพระองค์เห็นสิ่งเหล่านั้นโดยจริงโดยแท้เห็นแต่ความเป็นจริงท่านผู้รู้จริงดังที่พูดมานี่แหละเรียกว่าพระตถาคตเรียกว่าผู้รู้จริงว่า ง, งั้นผู้รู้จริงเรียกว่าตถาคตเนี่ยนะตถาทัศสีเนี่ยนะ แลียกว่าผู้เห็นแท้จริงเห็นจริงเห็นแท้ไม่มีอะไรจะจริงแท้ขนาดนี้แล้วแต่หากว่าเป็นคนทั่วๆไปเห็นด้วยสายตาที่ขุนมัวนะอาจจะไม่เห็นตามเป็นจริงเพราะจ่าตามันขุ่นตามันมัวตามันพร่าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงของสิ่งนั้นมีแค่ไหนพระองค์รู้สิ่งนั้นอย่างแท้จริงยนะ นัยยะต่อไปถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะตรัตแต่คําจร์นะนะตรัตแต่คําจร์เนี่ยคำที่พระองค์ตรัตจริงเนี่ยเป็นอย่างไรคําที่พระองค์พูดเนี่ยจริงหมดเลยจริงอย่างไรต่อว่าก็คําใดที่สงเคราะห์เป็นนวังค้าศัตรูศาสตร์มีสุตะเป็นต้นคำของพระผูธเจ้าถ้าเรียกว่าเป็นองค์เนี่ยนับได้เก้าองค์ องค้าคือสุตตะเค ย, ะยยะเวยาการณคาถาอุทานิติวุตกะชาตากะอภูตธรรมเวทละทนับเป็นนิกายนียนิกายทีขณิกายมัชชิมนิกายสังยุตติกายอังคุตรนิกายและคุตตกานิกายนับเป็นปิดกเรียกว่าปิดก3พระวินัยปิดกพระสุตันต์ปิดกและอภิธรรมปีดกนับเป็นพุทธพจน์มี3ปรถมพุทธพจน์มัชชิมพุทธพจน์และปัธรมมัชชิมปัชชิมพุทธพจน์ ถ้านับเป็นนับเป็นสเรียกว่าธรรมกับวินัยถ้านับเป็น1นึ่เรียกว่าคําสอนที่มีรถเดียวคือวิมุตติรถคําสอนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะนับตั้งแต่ว่ามีวัตถุประสงค์อันเดียวคือวิมุตติรถแบ่งเป็นสองคือทำกับวินัยแบ่งเป็น3เป็นปิดก3นับเป็น5เรียกว่านิกาย5นับเป็นเก้าเรียกคำสอนที่ประกอบไปด้ยวยองค์9พระดํารัสทั้งหมดที่พระองค์ภาษิทธ์เอาไว้ตลอดระยะเวลาประมาณ45่สิบาพันปศะ แรกตรัสรู้จนถึงปรินิพานแรกตรัสรู้จนถึงปรินิพานจนถึง เ, เรียกว่าอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาแล้วก็เลิกพูดละคำแรกที่พูดใช่ไหมอะไรอเนกชาติสังสารังอเนกชาเนี่ยคำแรกเลยคำสุดท้ายอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธะจบแควะทระหว่างนั้นเนี่ยนะคำทั้งหมดนะ่ะเป็นคํา แ, แท้ไม่มีเท็จเลยแม้แต่คําเดียว ไม่มีมุสาเลยเป็นคำพูดเหมือนกับใช้ตะชั่งอันเดียวกันะนะตาชั่งชนิดมาตรฐานตวงอะ่ะภาชนะเดียวกันตวงมันจะตวงกี่ครั้งกี่รอบหรือจะใช้ตะชั่งเรียวกว่าชั้นมาตรฐานเนี่ยชั่งกี่ครั้งมันก็ได้น้ำหนักเท่าเดิมชั้นใดพุทธพจน์คำของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆพระองค์จึงกล่าวกล่าวก่อนที่พระองค์จะปรินิพานตรัสกับท่านพระจุนทะจุนทะสมนุเทศ ในภาษาธิกะสูตรว่าดูก่อนจุนทะตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นราตรีใดปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะปรินิพานาธาตุนราตรีใดในระหว่างนี้ระหว่างนี้ระหว่าง45พันศานี้ตถาคตพาสิทธพาสิทก็คือหรือกล่าวชี้แจงคำเหล่าไรเอาไว้สั์เหล่านั้นคำเหล่านั้นทั้งหมด เป็นคำที่จริงแท้อย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตคำว่าจริงแท้คำเป็นคำจริงคำแท้เนี่ยนะจริงแท้เพราะอะไรเพราะเป็นที่สางแห่งความเมาคือราคะเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเพราะคำพูดเหล่านั้นสามารถกำจัดราคะโทสะโมหะได้ถ้อยคำเหล่านั้นจึงเป็นคำที่จริงแท้ แล้วก็เป็นคําที่ไม่ใช่ว่าปีที่1ว่าอย่างหนึ่งปีที่สองมาแก้ไขตามแก้ว่าเออที่ตรัสไว้ปีแรกนี่มันไม่ค่อยดีนะไม่สมบูรณ์ปีที่3 ม, มากขาบอกไอ้ปีที่สองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปีที่ส า, สา อ, อ่ปีที่4ขึ้นมาเออปีที่3ก็ยังขาดตกบกพร่องต่อจนเรียกว่าล้างของเก่าไปเรื่อยๆๆๆไม่มีมาตรฐานเดียวเสมอเพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์แรกตรัสรู้กับพระอรหันต์องค์สุดท้ายก็ตรัสรู้ อริยสัจสิ่งเดียวกันแสดงว่าพุทธพจน์ ท, ที่ตรัสตอนแรกกับตอนสุดท้ายก็คือความจริงที่เป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยนะเป็นคำที่ตรัสเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะเป็นวิมุตติรสจริงๆนะสอนครั้งแรกจนถึงสอนครั้งสุดท้ายเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ถือมั่นสอนเพื่อความพ้นจากวัฏทุกข์โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเพราะนั้นขตศัพท์จึงแปลว่าชัดเจนไม่มีผิดมีพลาดถูกต้องว่างั้นเถอถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ไพ่บูรณ์บริบูรณ์ ไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอีกแล้ว เพราะฉะนั้นอคทะตัวนี้เนี่ยนะหมายถึงพระดำรัตพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นของแท้ไม่วิปริตเนี่ยนะไม่วิปริตไม่ใช่ว่าเป็นคําพูดที่วิปลาดพูดด้วยอํานาจความเมาอะนะตอนเมาพูดอย่างหนึ่งสางขึ้นมาก็พูดอีกอย่างหนึ่งสังมาแล้วเมาต่อก็พูดอีกอย่างหนึ่งกลับไปกลับมากลับหน้ากลับหลังใหม่เป็นอย่างนั้นไม่วิปริตวิปลาดคลาดเคลื่อนอะไรไหมแต่นิดเดียวเพราะตรัสด้วยสติสัมปชัญญะ ที่สมบูรณ์ภัยบูรณ์บริบูรณ์เสมอกันหมดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตเนี่ยนะตทาวาทีชิโนยสมาตะทะธรรมปรปกาสโกตถามาคทะนันจัดสะตะสมะพุทโธตถาคโตเพราะเหตุที่พระจินนพุทธเจ้าตรัสแต่คำจริงคำพูดนี้จริงไม่มีอะไรที่มันจริงกว่านี้อีกแล้วว่า ง, งั้นเลยงประกาศธรรมะที่แท้จริงคืออะไรประกาศรายจริง ประกาศอริยสัจ ท, ที่แท้จริงเนี่ยและพระดํารัสของพระองค์ก็เป็นคําที่จริงอย่างที่ตอนกล่าวว่าสัจจะบารมีคืออะไรสัจจะบารมีก็คือการฝึกคําพูดที่มันจริงเรียกว่าวจีสัจจะตามวิรติสัจจะคือพูดคำเนี่ยจริงก่อนอเรียกว่าวจีสัจจะพูดให้มันจริงแล้วก็พูดตามวิรติสัจจะเว้นจากคําเทศคํำยาเพอเจอร์และส่อเสียด และเพื่ออะไรเพื่อฝึกคำพูดที่จริงเนี่ยจะได้ประกาศอริยสัจที่เป็นความจริงเนี่ยนะอริยสัจที่เป็นความจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกพูดใช้คำพูดที่จริงเพื่อจะได้ตรัสอริยสัจกล่าวอริยสัจที่เป็นความจริงาะพันธะธรรมะที่พระองค์ประกาศก็จริงแท้แล้วก็ประกาศด้วยพระวาจาที่จริงแท้พุทธพจน์ของพระองค์นั้นจึงนอบน้อมได้เลยสวากาโต ถ้าเาว่าตาทำโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะเป็นคําพูดที่มีสัพพัญยุตยานเป็นต้นเป็นสมุทฐานที่เป็นคําพูดที่ไม่ต้องไปอะไรอีกแล้วเนี่ยนะไม่มีเสียงใดๆที่จะประเสริฐกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพระตถาคตเนี่ยนะพระตะถาคตต่อไปถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระตถาคตเพราะพระองค์เนี่ยทรงทำจริงเนี่ยพระองค์ทำอย่างไรทำจริงเนี่ยทำอย่างไร ตอบว่าความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระวาจาใดๆก็ทําพระวาจานั้นต์นด้วยพระกายคือพระกายก็อนุโลมตามพระวาจาทั้งพระวาจาก็อนุโลมตามพระกายทําอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทําทําอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทํา เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพระตถาคตอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตกล่าวอย่างใดก็ทําอย่างนั้นทําอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นความที่ทําอย่างที่กล่าวกล่าวอย่างที่ทํำฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตอันหนึ่งพระวาจาไปอย่างใดแม้พระกายก็ไปอย่างนั้นพระกายไปอย่างใดพระวาจาก็ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าทรงทําจริงเนี่ยนะทำจริงอย่างที่พูด พูดอย่างที่ทำทำเท่าที่พูดพูดเท่าที่ทำเนี่ยนะจึงกล่าวว่ายะถาวาจาขตาตัสตะถากโยคตโตยโตตทาวาทิตายะสัมพุทธโัดธาตัสมาตถาคโตเพราะเหตุที่พระวาจาของพระองค์ไปอย่างใดพระกายก็ไปอย่างนั้นเพราะตรัสแต่คำจริงฉะนั้นพระศาสดาผู้ตรัสรู้จริงจึงชื่อว่า ตถาคตคือที่พระองค์ตรัสไว้ด้วยประการใดๆเท่าใดอย่างไรพระองค์เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าขายแต่หลักการเฉยๆพูดไปเรื่อยเนี่ยนะก็มีนะบางคนเนี่ยสมัยพุทธกาลก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดในชาติตระกูลสูงเขาเชื่อว่าพระองค์เนี่ยเกิดชาติตระกูลสูงมีฟันที่งดงามระเบียบเรียบแล้วก็สรีระทางร่างกายดีพระองค์พูดและคำพูดมันน่าเชื่อถือเท่านั้นเอง พระองค์ทำไม่ได้จริงอะไรหรอกเขาก็มีกลุ่มที่ออกมาปฏิเสธในลักษณะนั้นเพราะนันอันนี้ก็คือยืนยันว่าไม่ใช่เป็นแบบนั้นพระองค์ทำได้อย่างที่พูดนะแล้วก็พูดเท่าที่ทำทาเท่าที่พูดพูดเท่าที่ทาไม่ใช่พูดเกินจริงหรือลดถอยตัวเองนะคือไม่พูดแบบลดความดีของตัวเองก็ไม่คือว่าพูดแบบโอ้ดีจริงสมบูรณ์แบบบอกว่าไม่ดีจริงเท่าไหร่นะคือว่าเหมือนถ่อมตัวก็ไม่ใช่ ที่ถอมตัวแบบอะไรนะแบบว่ามีร้อยหนึ่งหรอกมีไม่มากหรอกไม่ถึงร้อยหรอกอะไรนะี่ยคิดว่าพูดลดเกรดตัวเองก็ไม่ใช่หรือพูดเกินเกรดที่เป็นจริงก็ไม่ใช่คือพูดเท่าที่ตามที่เป็นจริงว่นจริงได้พูดเท่าที่ ท, ท, ท, ทําทําเท่าที่พูดนั่นแหละเนี่ยนะแต่ว่าก็ไม่มีใครทําได้ขนาดนี้อีกแล้วเนี่ยนะคิดว่าความมาตรฐานสมบูรณ์ที่สุดคิดว่ามาตรฐานของสรรสสัตวเนี่ยวัดกันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะสมบูรณ์ที่สุด เ, เพราะพระองค์ตรัสทําใดก็จะเป็น อย่างนั้นสมัยพุทธกาลนี่เขาเชื่อกันอย่างนั้นขนาดนั้นนะแม้กระทั่งพระสาวกพระหมหาการยนะก็ถือเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นและเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณสุดท้ายถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระตาทาคตเพราะว่าครอบงำเนี่ยเป็นอย่างไรต่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครอบงำสัตว์ทั้งปวงนะนะสัตว์ทั้งปวงเนี่ยถามว่าระดับสูงถืออะไรเป็นหลักสูงสุดเลยเพราะว่าขพรม สัตว์คือระดับภระวคพรมเป็นชื่อของเนวสัญญาณาสัญญายาตนะเนี่ยนะพระวัคพรมนี่เป็นชื่อของเนวสัญญาณาสัญญายตนะสูงสุดเบื้องสูงนะเบื้องขวางเบื้องขวางแค่ไหนเบื้องขวางโล ก, กาธาตุอันหาประมาณไม่ได้อะนะไอ้คำว่าสูงหรือต่ำมันไม่ใช่เอาโลกกลมๆแบบเรานะครับถือเอาพบเนี่ยพบสูงที่สุดคือภระวคพรมเบื้องขวางเนี่ยนะไอ้ระหว่างเนี่ยหาที่สุดไม่ได้เบื้องล่าง สัตว์ทั้งหลายที่ต่าสุดก็คือระดับเอเวจีมหานรกเป็นที่สุดเนี่ยนะในสัพพสัตทั้งมวลเหล่านั้นเนี่ยนะพระองค์ครอบงํำสัตว์ด้วยศีลพระองค์มีศีลเหนือกว่าคนอื่นๆใครว่าเอาเอาศีลมาสําหรับมาชั่งมาตวงกันเนี่ยนะหมายความว่าสมมติถ้ามีต่ชั่งนะใช้แต่ชั่งอะนะ่ ะ, อะเอาศีลของพระองค์มาตั้งแล้วเอาศีลของคนทั้งสัพพสัตว์ทั้งโลกมาตั้งแล้วก็ทําให้ศีลของพระองค์เนี่ย น้ำหนักของศีลของพระองค์เนี่ยลดลงไปเนี่ยไม่ใช่เพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ศีลสมบูรณ์ภัยบูรณ์เต็มเปี่ยมที่สุดเนี่ยนะผลพระองค์จึงครอบงำสัรพสัตว์ด้วยศีลครอบงำสัรพสัตวด้วยสมาธิครอบงำสรรพสัตวด้วยปัญญาด้วยวิมุตติวยวิมุตติยาทัศนะนะเอาเถอะเอาศีลเป็นเครื่องวัดกันไม่มีผู้ใดมีศีลเท่ากับพระพุทธเจ้าพระองค์มีศีลถึงสา ม, มารถบรรัญญัติศีลได้ พระองค์มีสมาธิโดยประการทั้งปวงพระองค์จึงสอนสมาธิได้พระองค์มีปัญญาโดยประการทั้งปวงพระองค์จึงสอนปัญญาได้พระองค์เป็นผู้ที่มีวิมุตต์หลุดพ้นแต่ทาง ข, าววขาว้วิมุตต์วิขำปนะวิมุตต์สมุตเฉทัพวิมุตต์ปฏิปัสสัตที่วิมุตตินิสรณาวิมุตต์วิมุตต์เหล่าใดที่ควรแก่การหลุดพ้นวิมุตต์เหล่านั้นพระองค์ก็หลุดพ้นโดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือด้วยปัจเจกขณะยานเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาแล้วไม่มีใครมีปัจเจกขณะยาน พระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ย itter, น, นะโอ้ผู้ที่พิจารณามากที่สุดเนี่ยนะพิจารณาจนไม่มีอะไรจะให้พิจารณาอีกแล้วเนี่ยนะนั้นพระองค์นั้นไม่มีเครื่องช่างหรือเครื่องนับสำหรับพระองค์เอาอะไรมาช่างพระองค์ว่าพระองค์เ น, นี่ยน้ำหนักเท่านั้นนะมีค่าเท่านั้นเท่านี้หรือเอาอะไรมาเป็นนับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเส ม, มอเท่านั้นเท่านี้เพราะพระองค์เกินจากเครื่องช่างเกินจากเครื่องนับที่จะนับได้เครื่องวัดที่จะวัดได้ เพราะฉะนั้นที่แท้แล้วพระองค์ก็ช่างไม่ได้นับไม่ได้แล้วก็ยอดเยี่ยมอัปปมาโนผู้โทนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้นับไม่ได้เอาอะไรไปนับพระองค์เรา